ชาหณวาระปฏิโลมบุคคลเอกะโมลกะในรยห65อนุบุคคลใดไม่ใช่ละกามราคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละปฏิคานุใสใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดไม่ใช่ละกามราคานุใส บุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละมานานุสัยใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอรหัตมัคไม่ใช่ละกามราคานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่ละมานานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมักแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละกามราคานุสัยแล้วก็ไม่ใช่ละมานานุสัยปติบุคคลใดไม่ใช่ละมานานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยใช่ไหมวิ บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมักไม่ใช่ละมานานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่ละกามราคานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมักแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละมานานุสัยแล้วก็ไม่ใช่ละกามาราคานุสัยอนุบุคคลใดไม่ใช่ละกามาราคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละทิฐานุสัยวิจิกิชานุสัยใช่ไหมวิบุคคลที่8ไม่ใช่ละกามาราคานุสัย แต่ไม่ใช่เนละวิจิกิจฉานุสัยเว้นบุคคลผู้พร um ้อมเพียงด้วยอนาคามิมักและบุคคลที่8ดแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละกามราคานุสัยและก็ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยปาติบุคคลใดไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลงด้วยอนาคามิมักไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุใสแต่ไม่ใช่เนละกามราคานุสัย เว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนนาคามิมักและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละวิจิกิจานุสัยแ ล, ละกาาลไ็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยอน Umwelt, ุบุคคลใดาาาไม่ใช่ละกามราคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยอวิชานุสัยใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมักไม่ใช่ละกามราคานุัยแต่ไม่ใช่นลละอวิชานุใส เว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพลยงด้วยมรักแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละกามราคานุัสแล้วก็ไม่ใช่ละอวิชานุัสปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละอวิชานุสัสบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัสใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลยงด้วยอนาคา ม, มิมรักไม่ใช่ละอวิชานุสัสแต่ไม่ใช่เนละกามราคานุใสเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพีิงด้วยมรักแล้ว บุคคลที่เหลือไม่ใช่ละอวิชานุสัยและก็ไม่ใช่ละ Г รามาราคานุสัยห6สอนุบุคคลใดไม่ใช่ละปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละมานานุสัยใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยร кая, อรหัตมักไม่ใช่ละปฏิคานุสัยแต่ไม่ใช่เนละมานานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พ <plains> ร <poop> ้อมเพรียงด้วยมักแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละปฏิคานุใส แล้วก็ไม่ใช่ละมานานุัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละมานานุัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละปฏิคานุัยใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพีิงด้วยอนาคามิมักไม่ใช่ละมานานุัยแต่ไม่ใช่มมละปฏิคานุใสเว้นบุคคลสองเจียมพวกผู้พร้อมเพลิงด้วยมักแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละมานานุัยแล้วก็ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอนุ บุคคลใดไม่ใช่ละปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละทิฏฐานุัสวิจิกิจฉานุัยใช่ไหมวิบุคคลที่แปดไม่ใช่ละปฏิคานุสัยและไม่ใช่ไม่ละวิจิกิจฉานุัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพลิงด้วยอนาคามิมักและบุคคลที่แปดแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละปฏิคานุัยและก็ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุัสปติบุคคลใดไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุัย บุคคลนั้น nee. ก็ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมักไม่ใช่ละวิจิกิจานุสัยแต่ไม่ใช่ม่ละปฏิคานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอนาคามิมักและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละวิจิกิจานุสัยแล้วก็ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอนุบุคคลใดไม่ใช่ละปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยอวิชานุสัยใช่ไหม บุคคลผู้พร้อมเพลงด้วยอรหัตมักไม่เช่ละปฏิคานุสัยแต่ไม่ใช่เนละออวิชานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพลงด้วยมักแล้วบุคคลที่เหลือไม่เช่ละปฏิคานุสัยแล้วก็ไม่เช่ละอวิชานุสัยปฏิบุคคลใดไม่เช่ละอวิชานุัสบุคคลนั้นก็ไม่เช่ละปฏิคานุยัยใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพยงด้วยอนาคามีมักไม่เช่ละอวิชานุยัย แต่ไม่ใช่เมละปฏิคานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรักแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละอวิชิานุสัยแล้วก็ไม่ใช่ละปฏิคานุสั้อยหกสบเจอนุบุคคลใดไม่ใช่ละมานานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละทิฏฐานุสัยวิจิกิจานุสัยใช่ไหมวิบุคคลที่8ไม่ใช่ละมานานุสัยแต่ไม่ใช่เมละวิจิกิจานุสัย เว้นบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรห pues ัตมรัคษและบุคคลที่8ดแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละมานานุสัยและก็ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละมานานุสัยใช่ไหมวิม بن. บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรักไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุใสแต่มิใช่ไม่ละมานานุสัย pues เว้นบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักและบุคคลที่แปดแล้ว บุคคลที่เหลือไม่ใช่ละวิจิกิจานุสัยและก็ไม่ใช่ละมานานุสัยอนุบุคคลใดไม่ใช่ละมานานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละภวราคานุสัยอวิชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปติบุคคลใดไม่ใช่ละอวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละมานานุสัยใช่ไหมวิใช่ร้อยหกสิบุบุคคลใดไม่ใช่ละทิฐานุสัย บุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละวิจิกิจชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปติบุคคลใดไม่ใช่ละวิจิกิจชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละทิฏฐานุสัยใช่ไหมวิใช่ร้อยหกสิบเ้าอนุบุคคลใดไม่ใช่ละวิจิกิจชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละภาวราคานุสัยอวิชานุสัยใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรักไม่ใช่ละวิจิกิจชานุสัย แต่ไม่ใช่ไม่ละอวิชานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรัคษและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละวิจิกิจานุสัยแล้วก็ไม่ใช่ละอวิชานุสัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละอวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละวิจิกิจานุสัยใช่ไหมวิบุคคลที่8ดไม่ใช่ละอวิชานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่ละวิจิกิจานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรัก ละบุคคลที่แปดแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละอวิชานุสัยแล้วก็ไม่ใช่ละวิจิกิจชานุใสร้อยเจ็ดสิบอนุบุคคลใดไม่ใช่ละภวราคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละอวิชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละอวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยใช่ไหมวิใช่เอขโมลกะในจก ทุกกะมูลกะในร้อิออนุบุคคลใดไม่ใช่ละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละมานานุสัยใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอรหัตมรัคษไม่ใช่ละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยแต่ไม่ใช่มิละมานานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพียงด้วยมรักแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละการมราคานุใสและปฏิคานุสัย แล้วก็ไม่ใช่ละมานานุสัยปติบุคคลใดไม่ใช่ละมานานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลยงด้วยอนาคามิมักไม่ใช่ละมานานุสัยแต่ไม่ใช่มนละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพลยงด้วยมักแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละมานานุสัย แล้วก็ไม่ใช่ละกามราคานุใสปฏิคานุสัยอนุบุคคลใดไม่ใช่ละกามราคานุใสและปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละทิฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิบุคคลที่แปดไม่ใช่ละกามราคานุใสและปฏิคานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่ละวิจิกิจฉานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมักและบุคคลที่แปดแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละกามราคานุสัย ปฏติคานุสัยแล้วก็ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุใสบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละการมราคานุสัยและปฏติคานุสัยใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมักไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่ละการมราคานุใสและปฏติคานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมักและบุคคลที่8ดแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัย แล้วก็ไม่ใช่ละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยอนุบุคคลใดไม่ใช่ละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละภาวราคานุใสอวิชานุสัยใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรักไม่ใช่ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยแต่ม่ใช่ในละอวิชานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรักแล้ว บุคคลที่เหลือไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและก็ไม่ใช่ละอวิชานุสัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละอวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมักไม่ใช่ละอวิชานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมักแล้ว บุคคลที่เหลือไม่ใช่ละอวิชานุสัยและก็ไม่ใช่ละก um um ารมราคานุใสปติคานุสัยทุกกะโมลกะในจบเติกะมูลกะในร้อยเจ็ดอนุบุคคลใดไม่ใช่ละการมราคานุใสปติคานุใสและมานานุใสบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละทิฐานุใสวิจิกิจชานุสัยใช่ไหมวิบุคคลที <off> ่แปดไม่ใช่ละการมราคานุใส ปฏตตคานุสัยและมานานุสัยแต่ไม่ใช่มละวิจิกิจชานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพลงเรื่อยมักและบุคคลที่8ดแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละกามราคานุสัยปัตตคานุสัยมานานุสัยแล้วก็ไม่ใช่ละวิจิกิจชานุสัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละวิจิกิจชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปัตตคานุสัยและมานานุสัยใช่ไหมวิ บุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอนาคามิมักไม่ใช่ละวิจิกิจานุใสและมานานุสัยแต่ไม่ใช่เมละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลผู้พร้อมเพร the the ียงด้วยอรหัตมักไม่ใช่ละวิจิกิจานุใสกามราคานุใสและปฏิคานุสัยแต่ไม่ใช่เมละมานานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพียงด้วยมักและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละวิจิกิจานุสัย แล้วก็ไม่ใช่ละการมาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยอนุบุคคลใดไม่ใช่ละการมาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ Mystery, <|th|> th ละภาวราคานุัสอวิชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละอวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละการมาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุัสใช่ไหมวิ บุคคลผู้พร้อมเพลิงด้วยอนาคามิมักไม่ใช่ละอวิชานุใสและมานานุสัยแต่ไม่ใช่เมละการมาราคานุใสและปฏิคานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพลิงด้วยมักแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละอวิชานุสัยแล้วก็ไม่ใช่ละการมาราคานุใสปติคานุใสมานานุใสเตกกะมูลกะในจบ จ, จ, จตุกะมูลกะในร้อยเจ็ดสิบสาอนุ บุคคลใดไม่ใช่ละกามราคานุสัยปติคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปติคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอนาคามิมักไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัย ม, ม, มานานุสัยและทิฐานุสัยแต่ไม่ใช่เมละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอรหัตมักไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยกรามราคานุสัยปฏิคานุสัยและทิฐานุสัยแต่มีใช่เมละมานานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพียงด้วยมักและบุคคลที่8ดแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยแล้วก็ไม่ใช่ละการมราคานุสัย ปฏติคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยปัญจะโมลกะในรอยเจ็บสอนุบุคคลใดไม่ใช่ละการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละภวราคานุสัยอวิชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละอวิชานุสัย บุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปติคานุใสมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิบุคคลที่8ไม่ใช่ละอวิชานุสัยกามราคานุสัยปฏิคานุใสและมานานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่ละทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนนาคามิมักไม่ใช่ละอวิชานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุใสแต่ไม่ใช่เนละการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรคและบุคคลที่8ดแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละอวิชานุสัยแล้วก็ไม่ใช่ละการมาราคานุใสปฏิคานุใสมานานุใสทิฏฐานุใสวิจิกิจฉานุสัยปัญจ ก, กะโมลกะในจบฉากะมูลกะในร้อยเจ็ดสิบห้าอนุ บุคคลใดไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิคานุใสมานานุใสทิฏฐานุสัยวิจิจิชนุใสและภวราคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละอวิชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละอวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามราคานุใสปฏิคานุใสมานานุใสทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัยและภวะราคานุสัยใช่ไหมวิบุคคลที่แปดไม่ใช่ละอวิชฉานุสัยกลามราคานุสัยปฏิคานุใสมานานุสัยและภวราคานุสัยแต่ไม่ใช่เมละทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมักไม่ใช่ละอวิชฉานุใสมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวราคานุใส แต่ไม่ใช่เนละการมาราคานุใสและปฏิคานุใสเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพเรียงด้วยมรรคและบุคคลที่แปดแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละอวิชานุใสแล้วก็ไม่ใช่ละการมาราคานุใสปฏิคานุใสมานานุใสทิฏฐานุใสวิจิกิจฉานุสัยภายวราคานุใสฉากกระโมลกะในจก ติโลมะโอกาสเอกโมลกะในรยเจ็อนุบุคคลไม่ใช่ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในทุกขเวทนาบุคคลไม่ใช่ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่ละปฏิคานุสยัยในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวธรรมที่มีนับเนื่องในวัตทุข์ บุคคลไม่ใช่ละการมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยปฏิบุคคลไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละการมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในเวทนาสองในกามาธาตุบุคคลไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่ละการมราคานุสัยในรูปธาตุอรูปธาตุ และในสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละการมราคานุสัยอนุบุคคลไม่ใช่ละการมาราคานุสัยอันเกิดจากธาต์ใดก็ไม่ใช่ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในรูปธาต์และอรูปธาต์บุคคลไม่ใช่ละการมาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เมละมานานุสัย ในทุกขเวทนาและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่งหนือวัตทุกข์บุคคลไม่ใช่ละกามาราคานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละมานานุสัยปฏิบุคคลไม่ใช่ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละกามาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลไม่ใช่ละกามาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละทิฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในทุกประเวทนาในรูปธาตุและรูปธาตุบุคคลไม่ใช่ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เมละวิจิกิจฉานุสัยในสภาวะธรรมที่มีนับเนื่องในวัตทุกข์บุคคลไม่ใช่ละกามาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยปฏิบุคคลไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุใสอันเกิดจากธาตุด ก็ไม่ใช่ละการมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลไม่ใช่ละการมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุดใดก็ไม่ใช่ละภาวะราคานุสยัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลไม่ใช่ละการมาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่นี่ละภาวะราคานุสัยในทุกขเวทนาและในสภาวะธรรมที่มีนับหนึ่งในวัตถุ บุคคลไม่ใช่ละการมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ก็ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยปฏิบุคคลไม่ใช่ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในเวทนาสองในกามาธาตุบุคคลไม่ใช่ละภวะราคานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เมละกามราคานุสัยในทุกขเวทนาและในสภาวธรรมที่ม่นับเนื่องเนือวัตถุ บุคคลไม่ใช่ละภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยอนุบุคคลไม่ใช่ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในทุกขเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลไม่ใช่ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เนละอวิชานุสัยในสภาวะธรรมที่ม่นับเนื่องเนือวัตถุ บุคคลไม่ใช่ละกามาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละอวิชานุสัยปฏิบุคคลไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละกามาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ร้อยสิบเจอนุบุคคลไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในเวทนาสองในกามธาตุ และในรูปธาตุอารูปธาตุบุคคลไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เมีละมานานุใสในสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุบุคคลไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละมานานุสัยปฏิบุคคลไม่ใช่ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตใดก็ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในทุกขเวทนา บุคคลไม่ใช่ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่ละปฏิคานุสยัยในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลไม่ใช่ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละปฏิคานุสยัยอนุบุคคลไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาต์ใด <toen> ก็ไม่ใช่ละทิฏฐานุสยัยวิจิกิจฉานุสัยอนนันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในเวทนาสองในกามาธาต์และในรูปธาต์อรูปธาต์ บุคคลไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่ลวิจิกิจฉานุสัยนนสภาวะธรรมที่ม่นับนึกในวัตทุกข์บุคคลไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยปฏิบุคคลไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใด ก็ไม si uh ่ใ huh. ช่ละภวะราคานุสใยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในรูปธาตุและอารมูปธาตุบุคคลไม่ใช่ละปฏิคานุสใยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ในละภวะราคานุสัยในเวทนาสองในกลามธาตุและในสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตตทุกข์บุคคลไม่ใช่ละปฏิคานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยปฏิ บุคคลไม่ใช่ละภวะราคานุสใยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละปฏิคานุสใยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในทุกขเวทนาบุคคลไม่ใช่ละภวะราคานุสใยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ในละปฏิคานุสัยในเวทนาสองในกามมาตาและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตตทุกข์บุคคลไม่ใช่ละภวะราคานุสใยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอนุ บุคคลไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในเวทนาสองในกาลมาธาตุและในรูปธาตุอารูปธาตุบุคคลไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เนละอวิชานุสัยในจภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตตทุกบุคคลไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแลวก็ไม่ใช่ละอวิชานุสัยปฏิ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 ในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์ silicone, บุคคลไม่ใช่ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละวิจิกิจชนุสัยปฏิบุคคลไม่ใช่ละวิจิกิจชนุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ใชอนุบุคคลไม่ใช่ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ใชปฏิ บุคคลไม่ใช่ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลไม่ใช่ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่มีละมานานุสัยในทุกเวทนาและในสภาวะธรรมที่ไม่นับนึ่งในวัตทุกข์บุคคลไม่ใช่ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละมานานุสัยอนุ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 ก็ไม่ใช่ละมานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ร้อยเจสิบเกอนุบุคคลไม่ใช่ละทิฏฐานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละทิฏฐานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ร้อยแปดสิบอนุ บุคคลไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลไม่ใช่ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในเวทนาสามในกามาธาตุบุคคลไม่ใช่ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เมลละวิจิกิจฉานุสัย ในสภาวะธรรมที่มีนับหนึ่งในวัตถุบุคคลไม่ใช่ละภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยอนุบุคคลไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสใยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลไม่ใช่ละอวิชานุสใยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ ร8ออนุบุคคลไม่ใช่ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในเวทนาสามในกลามาธาตุบุคคลไม่ใช่ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่ละอวิชานุสัยในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุขบุคคลไม่ใช่ละภวะราคานุใยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละอวิชานุัยปฏิ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 ในทุกขเวทนาบุคคลไม่ใช่ละมานานุสัยและกามาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่มีละปฏติคานุสัยในสภาวะธรรมที่มินับเนื่องในวัตถุกบุคคลไม่ใช่ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละกามาราคานุสัยปฏติคานุสัยอนุบุคคลไม่ใช่ละกามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละทิฐานุสัย วิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลไม่ใช uh> ่ละกามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เมละวิจิกิจชานุสัยในสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลไม่ใช่ละกามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละวิจิกิจชานุสัยปฏิบุคคลไม่ใช่ละวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุใด ก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลไม่ใช่ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสใยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลไม่ใช่ละกามาราคานุสัยและปฏิคานุสใยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่ละภวะราคานุส oh. okay. ัยในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตถ hmm. ุ บุคคลไม่ใช่ละการมราคานุสัยและปฏิคานุสใยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยปฏิบุคคลไม่ใช่ละภวะราคานุสใยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละการมราคานุสใยและปฏิคานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในทุกปเวทนาบุคคลไม่ใช่ละภวะราคานุสัยและการมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เนลปฏิคานุัย ในเวทนาสองในกามาธาตุบุคคลไม่ใช่ละภวะราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่มีละการมาราคานุสัยในจภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลไม่ใช่ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละการมราคานุใสและปฏิคานุสัยอนุบุคคลไม่ใช่ละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุดใด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 ก็ไม่ใช่ละการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ทุกกะมูลกะในจบเตกกะมูลกะในร้อยแปสิบสาอนุบุคคลไม่ใช่ละการมราคานุสัยปฏิคานุสัยและม า, านานุสัยอันเกิดจากธาตุดก็ไม่ใช่ละทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิ บุคคลไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสสยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละภาวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลไม่ใช่ละภวราคานุสสยอันเกิดจากธาตุใด ก็ไม่ใช่ละกามราคานุใสปติคานุใสและมานานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในทุกขเวทนาบุคคลไม่ใช่ละภวราคานุใสกามราคานุใสและมานานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่มีละปติคานุใสในเวทนาสองในควรมมาตศบุคคลไม่ใช่ละภวราคานุใสและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่มีละกามราคานุใส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 บุคคลไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ติกกะมูลกะในจบจะตุกะมูลกะในร้อยแปสิบสีอนุบุคคลไม่ใช่ละการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยอันเกิดจากธาตุใด ก็ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาต์ใดก็ไม่ใช่ละกามราคานุใสปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปัญจกะโมลกะในร้อแปดสิบห้าอนุบุคคลไม่ใช่ละกามาราคานุใสปฏิคานุใสมานานุใส ทิฏฐานุสยัยและวิจิก er okay. ิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลไม่ใช่ละภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในทุกขเวทนาบุคคลไม่ใช่ละภวราคานุสัย การมาราคาโน้สัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เมละปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยในเวทนาสองในกามาธาตุบุคคลไม่ใช่ละภวะราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เมละกามราคาโน้สัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ บุคคลไม่ใช่ละภาวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยอนุบุคคลไม่ใช่ละการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิ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 Mm-hmm.